เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของอยู่ห่างจากวัด 4 กิโลเมตรไม่ไกลวัด หลวงพ่อจันทาหรือว่าอาจารย์จันทาท่านเกิด 2465 วันเสาร์นะครับปีกระต่ายอดอยากเหตุเพราะว่าเป็นหน้าร้อน ผักสวนครัวผักสวนครัวปลูกยาสูบแล้วก็ออก 60 กว่าปีมาแล้ว จึงปรากฏต่อมาว่าคนเฒ่าคนแก่ แล้วคนอ่านหนังสือไม่ได้จะท่องได้ยังไงนะแล้วทํายังไงถึงได้ จนเป็นที่เล่าลือไปทั่วหมู่บ้าน 2488 กรรมเทพก็เริ่มทํางาน อยู่ในใจว่าเราเป็นผู้บ่าวหรือว่าเพราะหนุ่มบ้านนอกความรู้ก็ไม่มีอ่านหนังสือ อ่าทำมาหากินตอนนั้นเมียมีท้องตั้ง 20 กว่าคนลอยเรือหลาย 20 ปากเป็นวงกว้างฝูงปลาใหญ่น้อยวิ่ง แต่พอลากเอาแหขึ้นมาอัศจรรย์ไม่ได้ปลาสักตัวปลานี่ พอมาถึงบ้านเมียแม่ม่ายเห็นไม่ได้ปลาๆเป็นการใหญ่หาว่าสวยโง่เซะเป็นกระบือเป็นหมูเป็นอะไรต่ออะไรเรียกว่า มาโดนเมียด่าสาเสียเทเสียอย่างนี้มันชอกช้ำหัวใจโอ้ยเหมือนกับไอ้ใบตองกล้วยถูกน้ําร้อนลวกอย่างอ่าเสร็จแล้วก็ กูจะเหยี่ยวใส่ให้มึงเอาโชคเอาชัยซะนะต่อไปนี้ปลาในแม่น้ําชีจะต้องโดดช่อใส่ วันรุ่งขึ้นก็ไปทอดแหที่แม่น้ําชีกับเพื่อนบ้านปลาก็ติดแหมากมายปลาสักตัวเมียก็ด่าอีกสาเสียเทเสียอ่าลากเอาคล้องใส่ปลา เหยอาจารย์ก็เหมือนกับคราวก่อนไม่ได้ปลายอีกเหมือนกันอาถรรพ์อะไร พิษังเทวดาต้องสาบแจ้งแน่ๆอย่าทำมาหากินเจริญได้ยังไงแกกับฉันอยู่ไปก็ไม่มีทางเจริญอ่ะเลิกกันเถอะเออเลิกกันก็ไปอยากจะไปเมื่อ ตอนเลิกกับเมียกําลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนเรียกว่าทิ้งลูกฝากไว้ 24 พอ 25 ฉันก็บวชเลยชีวิตนี้พอแล้ว 2490 เมื่อ จากนั้นโยมพ่อโยมแม่ก็พาหนุ่มจันทาไปกับหลวงพ่อนันท์เจ้าอาวาสเพื่อฝึกขันธ์หน้าถือศีล 8 อยู่วัดหัดท่องหนังสือสวดมนต์เจ็ดตํานานตลอดจนวิถีสงฆ์ต่างๆท่านก็บอกว่าทัดท้องไม่ได้หมดก็บวชไม่ได้ หนังสือก็อ่านไม่ออกสักตัวเพราะไม่ได้เข้าห้องเรียนหน ท่องสวดมนต์ได้คล่องแล้วก็ต้องมาช่วยท่านโดยการสอนด้วยปากป่าวอ่าให้ท่านท่องปากป่าวให้ได้คนไม่ พระอาจารย์เพ็งพุทธธรรมโมท่านเคยเล่าบอกว่าตอนที่ 3 ปีถึงได้อ่านหนังสือได้ท่องคานาคได้ท่องส่วนมน 3 ปีนับว่าหลวงปู่ภาคเพียรมากหลวงปู่บัวเล่าให้อาตมาฟังในภาย ทีนี้มาพูดถึงอาจารย์จันทาต่อหนุ่มจันทาถึง ท่านบอกว่าอาตมาบวชสมัยนั้นบวชบ้านนอกเป็นพระบ้านนอกอุปัชฌาย์ก็เป็นพระบูรณไม่ได้ถือเคร่งทางๆนะถึงได้ไป เรียนเขียนอ่านอย่างเต็มความสามารถมีพระเนนในวัดช่วยเป็นครูสอนแต่ก็เขียนก็อ่านวัดๆกันอ่าไปอยู่ที่นั่น อยู่สายปฏิบัติธรรมกรรมฐานสำเร็จลุลนะแต่ว่าตอน อาจพระศาสนาอะไรก็ไม่ได้เรื่องพระอาจารย์จันทา ข้ามทุ่งนาป่าดอนไปด้วย ตอนที่พระอาจารย์ยันธาไปอยู่กับหลวงปู่ทัพนั่นหลวงปู่ทัพอายุเกือบพระอาจารย์ยันธาเล่าที่ๆสอนคนเป็นคนใหม่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่อาตมาไม่เคยรู้มาก่อน ฝึกกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่ทัพปีนึงพอออกพรรษา ก็ได้พบทําความรู้จักกับพระอาจารย์จันทร์ซึ่งจาริกทุรดงมา 11 พรรษาตอน 4 พรรษา เมื่อเดินทุกดวงไปด้วยการหลายวันเข้าก็ใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักนิสัยใจๆเรียกว่าได้เริ่มเห็น ลักษณะของพระอาจารย์จันดูจะเป็นพระนักท่องเที่ยวมาก ไม่เห็นด้วยกับการเจริญกรรมฐานเห็นด้วยกับการเจริญกรรมฐานผู้ตรงๆก็คือแกร่งน่ะอ่าเกรงว่าพระ เกิน 15 ค่ำวันเพ็ญหลังจากฉันข้าวแล้วเวลาประมาณ ปาสวะหลั่งไหลเรี่ยราดออกมาล้มตึงอ่าร้องขึ้นด้วยความตื่นตระหนกตก มันเป็นไข้มาลาเรียประเภทร้ายแรงขึ้นสมองทําให้สมองหยุดทําๆครับครับเดี๋ยวฟังต่อ พระอาจารย์จันทาวันเพ่นต่อที่วัดบ้านฉเหลียงปีนั้นวันนั้นเดือน 10 ทันใดนั้นโรคไข้มาลเรียที่ซุ่มซ่อนอยู่ในสังขาญร่างใกล้ก็กําเริบขึ้นมากระทันหันพิดไข้มาลเรียนี่แล้นขึ้นสะหมองอย่างเร็วทำให้ทันพระจารย์จัลทาปัสวะหลายเรียราษออกมาพร้อมล้มตรงยืนสินสติสัมพัชญญักษ์เน็นอยู่กล้ายๆ อาตมาไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้น อาตมาก็ล้มตึงเหมือนกับต้นไม้ถูกโค่นให้ล้มลงไม่รู้สึกๆพออาตมาล้มลงไปแล้วเนนก็ก็ แต่ว่าเค้าก็รักษาโรคฉีดยาได้พอสมควรนะ ถึงแก่มรณภาพอยู่แล้วก็จัดการฉีดยาเลยลองเสี่ยงดูบางทีอาจจะไม่ จิตยังไม่ได้ออกไปจากร่างจิตมัน <ๆ. S 2> ใจหรือว่ากายทิพย์ก็ออกจากร่างอัตมาปั๊บเลยกายทิพย์ของอัตมาออกๆเพื่อนรูปร่างสวยคนนั้นน่ะเพื่อน พวกญาติโยมชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการกับซากศพของอาตมาที่นอนตายอยู่นั้นพวกเขาก็เอาสบงจีวรออกหอมน้ําขมิ้นมาชโลมลูบไล้แล้วก็ทําอะไรต่อ อมุ้งมากายทิบของอัตมาก็ถามเพื่อนรูปร่างสวยงามให้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพากันไปเที่ยวดูภูมิประเทศป้องอัตมาก็ตกลงไปแมวไม่ให้เข้า ไม่ร้อนไม่หนาวไปถึงระหว่างหม 2 หมู่บ้านทางโน้นเป็นภูเขาบ้านหนึ่งทางนี้เป็นดงเป็นป่าบ้านแต่ว่ามีสนามเล่นอยู่ตรงกลางเนี่ยกว้างมากเพื่อนก็บอกอาตมาบอกว่าเรา พวกเขาบอกว่าเล่นมาจนจะค่ําแล้วเลิกเถอะเขาก็เลิกกันกลับ แต่ถ้าเดินกลับไปจะไม่ทันหนีมาเที่ยวไกลมากนะถ้าเดินกลับไปจะไม่ทันเพราะว่าเจ้าบ้านเลยตัวเบาหวิวเหมือนกับนุ่นนน เพื่อนก็บอกอาตมาว่าเขาไปนั่งใกล้ๆเรือนกายสิตั้งสติให้ดีนึกถึงพุทโธ ที่เราได้สร้างบารมีเป็นสัตว์โลกได้ถือบวชเนกขัมมะบารมีจนวันตายชาวบ้านก็ช่วยกันห่อศพของเรา พอตั้งสติได้ก็เข้าร่างไปปรับเลยเรียกว่ากายทิพย์กลับเข้าสู่ร่างเดิมตอนที่เข้าร่างเดิมแล้วก็หันมาทางข้างหลังดูเพื่อนคนนั้นปรากฏว่าเพื่อนหายวับไปไหนไม่รู้ความรู้สึกบอกว่าเพื่อนผู้นี้ไม่ใช่ใครหรอก เพราะว่าจิตน่ะมันเป็นทาทะรู้อันมหัศจรรย์มันย่อมจะทําอะไรได้แปลก เมื่ออาตมาล้มตายไปบุญก็ได้เนรมิตไม่ให้เน่าเปื่อยรักษาไว้ให้ตอนนี้ผู้เตรียมที่ว่าเนี่ย ตรงปลายเท้าทั้ง 2 ข้างเกิดอาการคันยุบยิบสู้ซ่าคล้ายๆตะคริวหรือว่าเน็บชากำลังจะคลายออกอย่าง อาตมาก็รู้สึกประหลาดใจที่นกแสงแสวมันร้องเป็นภาษา เล่นมรรครุกหมาเสือกินหมูกันมา นะนี่เจ้าบ้านก็ว่ากันงั้นพูดกันญาติพี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเอออัศจรรย์จริงหนอเราหมด การที่เราสามารถกลับมาเข้าร่างเดิมได้ก็เป็นด้วยอํานาจลึกลับมหัศจรรย์ของบุญกุศลที่สร้างไว้แท้ๆนอกจากบุญ อาตมาก็ตั้งจิตปฏิญาณในใจว่าต่อๆเราจะละเว้นให้ และตัวเราเองให้กระทํา 4 เราจะทําแต่บุญกุศลๆข้อเราแล 5 ชาวโลกเขาว่าโลก เราจะปิติปราโมทย์สํารันเบิกบานใจในการ ไอ้คนนึงก็ร้องขึ้นบอกเฮ้ยผีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุย หลายคนร้องไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจ อาตมาบอกครูบาครูบาเป็นคนหรือเป็นผีอ่ะอาตมาก็ออกจากมุ้งดีว่าครูบาสบายดีแล้วเหรออาตมาก็บอกเออสบายดีแล้วฟื้น เกือบตายกลัวผีครูบามากเกือบจะวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้ว ตอนนี้เองญาติโยมดีพากันแตกตื่นวิ่งหนีถ้าจะเหยียบกันตายก็เริ่มทยอยกันกลับมาทีละคน 2 คนต่างก็หัวร่อขบขันซึ่งกันและกัน พระอาจารย์จันทาอยากจะออกเที่ยววิเวก 9 วันแถวป่าเขาดอยสุเทพแปลกๆ หมอที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ก็ฉีดยาให้จนหายดีแล้วก็เลยขึ้นรถไฟกลับมาลงที่สถานีบ้านผาชีพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากสถานีนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นรถไฟไปลงที่ขอนแก่นค่าโดยสารรถไฟแต่ละเที่ยวนั้นชาวบ้านก็เป็นผู้ซื้อตั๋วโดยสารให้ทุกครั้งเมื่อลงรถไฟที่ขอนแก่นจะไปสกลนครไม่มีใครจ่ายค่าโดยสารรถให้ เดินแสวงวิเวกไปด้วยด้วยตั้งใจปรารภความเพียร ถ้าพระอาจารย์จันทาอยากจะไปด้วยก็ไม่ขัดข้องพระอาจารย์จันทานั้น หลวงป้าพ่อก็พาอ่ามีโรงครัวที่นี่มี ทรงโปรดประชากรทุกชั้นวรรณะพระภิกษุสงฆ์ๆก็ พระอาจารย์ยันทาและหลวงพ่อฮ้อก็ออก 2494 สมัยนั้นเมืองชลบุรียังไม่เจริญรุ่งเรืองใหญ่โต อาจารย์ยันทาเล่าว่าอาตมารู้สึกประหลาดใจที่พระแล้วไม่ได้ใส่บาตรทําบุญให้กับคนตายถ้าเป็นทางเหนือทางอีสานแล้วเขาจะ ครอบครัวคนตายนั้นเขาอาจจะเป็นคนจีนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็เลยไม่สนใจหรือว่าไม่ด้วยได้ข่าวนิดเดียวไม่มี ผมไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ทั้งสององค์มาก่อนเลยครับไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ทั้ง 2 องค์มาก่อนเลยครับท่านอาจารย์นุ่งน่ะโยมที่ เคยเห็นอ่ะเอาขอให้บุญกุศลจงเป็นของคุณโยม ขอให้ผมได้ทําบุญกับพระตุดงกรรมฐานๆพวกขุนนางอืมท่านเป็น ทางราชการพ่อค้าคหบดีและประชาชนได้ร่วมพัฒนาพระศาสนาอย่างขนานใหญ่ชาวบ้านชาวเมืองหันมาเลื่อม คือย่อมได้บุญได้กุศลเป็นใหญ่เป็นเหตุปัจจัยให้รุ่งเรืองทันตาเห็นในชาตินี้ดังจะครับนั่นเป็นประวัติอีกตอนหนึ่งของพระ